จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมิถุนายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติาศาสนากิจของพุทธศาสนิกชน ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความล่มเย็นเป็นสุขคล้าวคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะ การปฏิบัติศาสนากิจที่เราเรียกว่าบุญหรือกุศลนี้เป็นเหตุเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่พึ่งจากความทุกข์จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีุมีบุญมีกุศลแล้วจะมีความทุกข์เข้ามาน้อยกว่าคนที่ไม่มีบุญและกุศล ถ้ามีบุญกุศลอย่างเต็มเต็มร้อยเอร์เซนก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจได้เลยถึงแม้จะไม่มีเงินทองมากมายถึงแม้จะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ตําแหน่งต่างๆแต่จะดีกว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่ไม่มีบุญไม่มีกุศล จะมีแต่ความทุกข์คอยเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ตลอดเวลาและเงินทองที่มีอยู่หรือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ก็มาเหยียบย่ำทำลายได้และไม่สามารถดับความทุกข์ยะเวลาที่เกิดขึ้นมาได้ มีบุญกุศลนี้เท่านั้นซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำดับไฟแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้พวกเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรมองข้ามบุญและกุศลนี้เพราะเป็นเหมือนกับเครื่องดับเพลิงที่เราต้องมีไว้ในบ้านเพื่อรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดฝัน คือเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงเราก็จะสามารถดับไฟได้ก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตจนเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดถ้าเรามีบุญกุศลแล้วเวลาที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะดับมันได้ทันทีทันใดไม่ปล่อยให้มันลามลุกไปเผาผลาญจิตใจ จนทนอยู่ต่อไปไม่ได้คนที่ฆ่าตัวตายนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลคนที่ฆ่าตัวตายนี้ไม่มีน้ำดับไฟไม่มีน้ำแห่งบุญกุศลนี้มาดับไฟแห่งความทุกข์มีแต่ลมแห่งอารมณ์ของความโกรธของความโลภของความหลงที่จะพัดให้ ความทุกข์นั้นมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปใหญ่เช่นเวลาโกรธอาใครแล้วเกิดความอาฆาตพยาบาทอย่างนี้แสดงว่ากำลังโหมไฟด้วยลมแห่งความอาฆาตพยาบาทให้ไฟแห่งความทุกข์นี้ลุกแรงยิ่งขึ้นไปเผาผลาญจิตใจให้ทุกข์ทรมานใจจน ทนอยู่ไม่ได้ถึงกับต้องทำร้ายตนเองไปในที่สุดเพราะไม่มีบุญกุศลที่จะมาดับไฟแห่งความโกโรธแค้นอาฆาตพยาบาทนี้แต่ถ้าได้ทำบุญให้ทานได้บำเพ็ญบุญกุศลอยู่เรื่อยๆแล้วจะมีน้ำใจจะมีความเมตตาจะมีความให้อภัย จะมีความไม่คิดจองเวรจองกรรมกับผู้ผู้อื่นเวลาที่เกิดความทุกข์เกิดความโกรธเกิดความเสียใจแทนที่จะอาฆาตพยาบาทก็ให้อภัยแก่ผู้ที่มาสร้างความทุกข์ให้กับตนไม่คิดจองเวรจองกรรมไม่อาฆาตพยาบาท พอรู้โทษของการจองเวรจองกรรมรู้โทษของไฟแห่งความพยาบาทว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับตัวของตนเองมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับคนที่ตนไปโกรธคนที่ไปโกรดนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาทำไปแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นต่อไปแต่คนที่กำลังถูกไฟเผาผลาญจิตใจด้วยความทุกข์อย่าง สารสาหัสทำให้ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงกับอยากจะฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองนี่ก็เป็นเพราะว่าไฟแห่งความพยาบาทนี่เองไม่มีน้ำดับไฟไม่มีบุญกุศลคือความเมตตาถ้าเราจเจริญความเมตตาอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะเย็นจะสบายเพราะเราพร้อมที่จะให้อภัย เราจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเสมอเพราะการมีความเมตตาดังที่เราสวดกันนั้นก็คือการหนึ่งไม่เบียดเบียน 2. การไม่จองเวรจองกรรมสความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขนี่คือความหมายของความเมตตาและต้องใช้ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ ที่มากระทบกับใจเราไม่ใช่แผ่เมตตาในขณะที่เราอยู่บ้านอยู่ในห้องพระไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็แผ่สัพเพสัตตาอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการแผ่ที่แท้จริงเป็นการฝึกซ้อมการแผ่ถ้าเป็นนักมวยก็ยังไม่ได้ขึ้นเวทียังโชคกับกระสอบทรายอยู่ยังไม่ได้ไปขึ้นเวทีเจอคู่ต่อสู้ ดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์และเราแผ่เมตตานี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่ที่แท้จริงการแผ่ที่แท้จริงต้องแผ่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธแค้นอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะด่าคนนี้อยากจะทำลายคนนั้นคนนี้นั่นแหละเป็นเวลาที่เราจะต้องแผ่เมตตา เพราะเมตตานี้ก็เป็นน้ําดับไฟนั่นเองอย่าปล่อยให้มันอย่าให้ปล่อยให้ไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทความโกรธความเกมเลียดนี้มันมีอยู่ในจิตใจเพราะมันจะทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปขณะที่เราไม่โกรดนี้เราเป็นเหมือนพระเป็นเหมือนเทพแต่พอเราโกรธแล้วเราเป็นเหมือนยักษ์เป็นเหมือนมาร ทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่อยากจะเป็นยักษ์อยากจะเป็นมารเราอยากจะเป็นพระอยากจะเป็นเทพกันแต่เราไม่สามารถรักษาความเป็นพระเป็นเทพได้เพราะเราขาดความเมตตาเราแผ่เมตตาไม่เป็นเราแผ่เป็นใ น, ในเฉพาะเวลาที่เราซ้อมเท่านั้นเองแต่เวลาถึงเวลาขึ้นเวทีจริงนี้ปล่อยให้คู่ต่อสู้ต่อยเราชกเราเตะเรา ลงไปนับสิบโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่สู้เขานั่นเองเวลาขึ้นเวทีเราต้องต่อสู้เขาด้วยความเมตตาด้วยการให้อภัยด้วยการไม่เบียดเบียนคิดทำร้ายผู้อื่นด้วยการมีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ภายในใจตลอดเวลาแล้วเวลาที่เกิดความโกรธนี้ เกิดความอาฆาตพยาบาทนี้จะระงับความอาฆาตพยาบาทความโกรธได้อย่างง่ายดายเพราะเหมือนกับมีเครื่องดับเพลิงไว้อยู่ใกล้มือแล้วพอไฟลุกขึ้นมาปับ๊บก็หยิบมาฉีดได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเตือนสติเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะ เป็นในกรณีใดก็ตามถึงแม้เราจะอดตา ย, าตายก็ขออดตายดีกว่าที่จะไปฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาเขามาเป็นอาหารเช่นไปยิงนกตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารเพราะว่าผลกระทบกับจิตใจนี้มันไม่คุ้มค่ากับการดูแลรักษาร่างกายเราฆ่าผู้อื่นเพื่อรับประทานเขาเป็นอาหารร่างกายเราอยู่ได้ แต่ใจเราเสื่อมลงใจเราเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่ความเป็นเดรัจฉานเพราะว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตนี้เป็นเหตุที่จะส่งให้ใจนี้ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปนั่นเองและยิ่งถ้าฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะส่งให้ใจนั้นไปตกนรกเพราะความ ไฟแห่งอาฆาตความอาฆาตพยาบาทนี้ก็คือไฟนรกนั่นเองและมันจะเผาจิตใจของเราเป็นเวลายาวนานหลังจากทีห่หลังจากที่จิตใจได้แยกออกจากร่างกายนี้ไปแล้วในขณะที่มีร่างกายนี้อยู่มันเป็นเพียงหนังตัวอย่างให้เราดูให้เราเห็นว่าเวลาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วมันร้อนอย่างไรมันทุกข์อย่างไร แล้วถ้าเราลงได้ไปทาไปฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นพยาบาทแล้วพอถึงเวลาที่ตายไปจิตมันก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาเป็นไฟนรกทันทีนรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่นรกนี้เป็นสภาพของจิตใจของเรานรกไม่ใช่สถานที่สวรรค์ก็ไม่ใช่สถานที่ใจนี้เป็นที่ตั้งของนรกเป็นที่ตั้งของสวรรค์ ใจนี้ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนอีกจักรวานหนึ่งเรารู้จักจักรวานภายนอกเช่นเรามองขึ้นไปท้องฟ้าเราเห็นดวงดาวดวงเดือนเห็นพระอาทิตย์ต่างๆนั่นคือจักรวานภายนอกแต่ยังมีจักรวานอีกอันหนึ่งเรียกว่าจักรวานภายในที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไตรภพไตรภพนี่แหละคือจักรวาลภายในเป็นภพที่สัตว์โลกทั้งหลายไปเกิดกัน ไปตกนรกก็ไปตกนรกในใจนี้ไปขึ้นสวรรค์ก็ไปขึ้นสวรรค์ในใจนี้เวลาใจมีความเย็นมีความสุขมีความอิ่มเอิบเช่นเวลาได้ทําบุญให้ทานได้รักษาศีลตอนนั้นใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมา ท, าทันทีทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ใดถ้าเราต้องการพิสูจน์นรกสวรรค์อย่าไปหาสถานที่ต่างๆจะไม่เจอ จะหลงทางจะคิดว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เพราะมันไม่มีในโลกนี้ในจักรวาลที่เรารู้ที่เราเห็นกันนี้ไม่ใช่ที่ตั้งของนรกของสวรรค์ไปขึ้นไปถึงดวงอาทิตย์ก็ไม่เจอนรกไม่เจอสวรรค์ไปโลกพ่อจันทร์ก็ไม่เจอนรกไม่เจอสวรรค์ถ้าอยากจะเจอนรกเจอสวรรค์ขอให้ขันหันเข้ามาดูใจของเรานั่นแหละคือที่ตั้งของเราและในชีวิตของเราในแต่ละวัน เราก็ได้สัมผัสกับนรกสวรรค์เป็นตัวอย่างอยู่เรื่อยๆวันไหนที่เรามีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจวันนั้นเราก็ไปนรกแล้วใจของเราก็เป็นนรกวันไหนเรามีความสุขอิ่มเอิบใจสำราญใจวันนั้นเราก็ไปสวรรค์นี่แหละอยู่ตรงนี้และเกิดจากการกระทำของเราเกิดจากการมีเมตตาหรือไม่มีความเมตตา มีความกรุณาหรือไม่มีความกรุณามีมุนิตาหรือไม่มีมุนิตามีอุเบกขาหรือไม่มีอุเบกขานี่ต่างหากเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นนิพพานขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเจริญ ความเมตตากรุณามุหิตาอุเบกขาอยู่เสมอเสมอ <c oughs> เพราะว่าจะทำให้จิตใจดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนั่นเองอย่าไปคิดว่าเราแพ้เราขาดทุนเวลาใครเขาทำร้ายเราใครทำให้เราเสียหายทำให้เรากโกรธแค่โกรธเคืองแล้วเราไม่เอาเรื่องเอาเราวเขาเรากำลังได้กาไร เรากำลังได้สวรรค์เรากำลังได้พระนิพพานซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าการไปจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทกันไปขึ้นโรงศาลฟ้องร้องกันเพื่อเรียกค่าเสียหายอะไรต่างๆมาสิ่งที่เราได้มาคือเงินทองค่าเสียหายนี้มันไม่มีคุณค่าเหมือนกับสิ่งที่เราจะได้จากการให้อภัยเราจะได้จิตใจที่เป็นพระเป็นเทพ เป็นสวรรค์เป็นนิพพานซึ่งไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้กับจิตใจเงินทองกองเท่าภูเขานี้ไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจเหมือนกับก้อนอิด ก, ก้อนปวดไม่มีคุณค่าอะไรกับร่างกายร่างกายกินก้อนอิด ก, ก้อนปวดไม่ได้ร่างกายต้องรับประทานอาหารใจก็ต้องมีสวรรค์มีนิพพาน เป็นอาหารถึงจะมีความสุขได้จะมีได้ก็ต้องมีคุณธรรมคือความเมตตา1ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 2. ให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแก้วแตกแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับไปทําให้แก้วใบนั้นมัน มันมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สิ่งที่เขาพูดเขาทำไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราอย่าไปเสียสองต่อเสียของแล้วอย่าไปเสียใจหรือเจ็บกายแล้วก็อย่าไปเจ็บใจเช่นใครทาร้ายเราทำร้ายร่างกายเราแล้วเราอย่าไปตอบโต้เพราะว่าเราจะเจ็บใจอี ก, อกส่วนหนึ่งเราอย่าไปโกรธอย่าไปอาฆาตพยาบาทเพราะจะทำให้ใจของเราเจ็บด้วย แต่ถ้าเราให้อภัยเราคิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมใช้หนี้เก่ากันไปความเจ็บใจก็จะไม่มีเจ็บเพียงครึ่งเดียวเจ็บกายแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่ไม่ไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บใจนี่คือความเมตตานอกจากการไม่จองเวรแล้วก็ยังต้องมีจิตที่ปรารถนาดีคือมีมัยตรีจิต เหมือนกับเวลาที่เราส่งสคสในตอนขึ้นปีใหม่หรือซื้อของขวัญให้ผู้อื่นในในเวลาต่างๆเช่นในวันเกิดในวันที่เขาครบรอบหรือเขาทำเปิดร้านใหม่หรืออะไรเหล่านี้เราก็ซื้อของขวัญซื้อดอกไม้ไปมอบให้กับเขานี่คือความเมตตามีความปรารถนาให้เขามีความสุขและความเจริญ ทีป่ประการหนึ่งประการที่สองก็คือให้มีความกรุณาแปลว่าสงสารอย่าอย่าอย่าดูดายเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่คือถ้าเห็นคนเขาอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทาน เราพอมีอาหารแบ่งปันให้เขาได้ก็ควรแบ่งปันไปไม่มีเสื้อผ้าใสเรามีเสื้อผ้าหลายชุดก็เสียสละแบ่งไปให้เขาบ้างไม่มีที่อยู่ถ้าเราพอหาที่อยู่ให้เขาได้ก็หาที่อยู่ให้เขาอยู่ไปชั่วคราวก่อนจนกว่าเขาจะหาที่อยู่ได้เองถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอก็หาอยู่ขายาหาหมอมาดูแลกันไป นี่คือความกรุณาจะทําให้ใจเรามีความสุขทําให้ใจเราสูงใจให้เราทําให้ใจของเรามีความภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เวลาที่เกิดอุทุกกภัยเกิดวาตภัยเกิดอัคคีภัยทําให้คนนั้นขาดปัดจจัย4ี่ก็เป็นเวลาที่เราต้องร่วมวมือร่วมใจกันช่วยเหลือกัน เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศข้างเพื่อนบ้านเราที่ปร ะ, ประสบกับ อ, อุทกภัยกับวาตภัยเคยเจอพายุเจอน้ำท่วมบ้านช่องไม่มีอยู่ข้าวไม่มีกินเสื้อผ้าไม่มีใสย่ยารักษาโรคไม่มีก็ถ้าเรามีมีฐานะพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเหลือกันไป เพราะโลกเหล่านี้อยู่กันได้เพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันเราอยู่รับตามลำพังของเราไม่ได้วันนี้เราอาจจะมีความสุขเราอาจจะมีพร้อมบรรณ์ด้วยปัจจัยสี่แต่วันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนก็ได้เพราะเรื่องของบุญของกรรมนี้มันไม่แน่นอนบุญกรรมเราเคยทามากันมาในอดีต มันมีโอกาสที่จะแสดงผลให้เกิดขึ้นกับเราได้เสมอไม่ว่าบุญหรือบาสนังนั้นถ้าเราได้ทาได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากผู้อื่นเขาก็จะมีความยินดีที่จะช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราเป็นคนใจจืดใจดำใจไม้ไส้ระกมไม่มีความสงสารผู้อื่นไม่สนใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเราจะไม่มีใครมาดูแลเราเราจะอยู่อย่างทุกข์ทรมาน ว, าว้วาวว้าเหวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเพราะไม่มีใครอยากที่จะเข้ามาช่วยคนที่ใจจืดใจดำใจไม้ไส้ระกรรมนี่เองนี่คือวิธีทําตัวของเราให้เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าชื่นชมน่าสนับสนุนช่วยเหลือ เราต้องช่วยเหลือผู้อื่นก่อนแล้วผู้อื่นเขาก็จะช่วยเราอย่างแน่นอนส่วนมุติตาจิตนี้ก็คือเราต้องเป็นคนใจกว้างอย่าเป็นคนใจแคบเวลาเห็นผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีเขามีความสุขเขาได้ความเจริญเราอย่าไปอิจฉาหรือเสอย่าไปขัดขวางอย่าไปกั่นแกล้งเขาเราควรที่จะอนุมโมทนา แสดงความยินดีมุติตาจิตมุติตาจิตแปลว่าความความชื่นชมยินดีในความสุขและความเจริญของผู้อื่น mm hmm. เพราะถ้าเราไม่มีมุติตาจิตแล้วใจของเราจะถูกความอิจฉาหรือยาครอบงำเวลาเห็นใครเขาได้ดีบได้ดีแล้วใจของเราจะทุกข์แทนที่จะมีความสุขกับทุกข์ใจเพราะความอิจฉาหริษยา คิดต่างๆมานาว่าเขาไม่ควรจะได้ดิบได้ดีเลยเราทําดีก็เขามากม า, กายก่ายกองทําไมเราไม่ได้ดิบได้ดีเลยเพราะเรามองไม่เห็นเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามันมีความสลับซับซ้อนกันเขาอาจจะเคยทําบุญมามากในอดีตก็ได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาของบุญส่งผลทําให้เขาได้ดิบได้ดีทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลย เขาอยู่เฉยๆก็มีบุญหล่นทับ เ, เรียกว่า บ, บุญหล่นทับเพราะว่าบุญเก่าเขาทําไว้ถึงเวลาที่ออกดอกออกผลและความอิจฉาหรือเสียาของเราก็จะไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นจะทําให้เรากลายเป็นยักษ์เป็นมารไปแต่ถ้าเรามีมีมุติตาจิตเราแสดงความยินดีกับเขาเราก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีและตัวเราเองก็จะมีความสุข เช่นเวลาเราเล่นกีฬานี้เวลาเราแพ้ก็อย่าไปพานพะโลอย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้เราควรยอมรับความจริงว่าเขาชนะเราแพ้แล้วเราแสดงความยินดีต่อผู้ชนะเราก็จะมีความสุขการเล่นกีฬานี้ไม่ต้องการความแพ้ความชนะเป็นหลักต้องการน้ำใจนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะถ้าแพ้ก็ยอมว่าแพ้และยินดีต่อผู้ชนะ แล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจแต่เรากลับจะมีความสุขใจนี่คือการทำให้ตัวเรานี้มีคุณค่าทำให้ตัวเรานี้น่ารักน่าชื่นชมยินดีทำให้ตัวเรามีความสุขประการที่สี่คืออุเบกขาเราก็ต้องรู้จักทาใจให้เป็นกลางบ้างอย่า ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆเพราะเวลาเรายินดีกับอะไรแล้วสิ่งที่เรายินดีเกิดต้องจากเราไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจหรือว่าเรายินร้ายเราไม่ชอบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เวลาเราเจอเขาเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจของเราไม่ให้ยินดียินร้ายเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักเราเฉยๆเราเห็นเขาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อน เขาเป็นอะไรเราก็ไม่เสียใจเขามาเขาอยู่เราก็ไม่วุ่นวายใจไม่ได้อยากให้เขาหายไปหนีไปตายไปแต่อย่างใดถ้าเราไม่รู้จักฝึกทำใจให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายแล้วใจของเราจะแกว่งไปแกว่งมาจะทุกข์กับเรื่องความยินดีจะทุกข์กับสิ่งที่เรายินร้ายเสมอจึงต้องควรฝึกทำใจให้เป็นกลางบ้าง วิธีฝึกทําใจให้เป็นกลางก็คือการการนั่งสมาธินี่เองทําจิตใจไม่ให้คิดอะไรปล่อยวางให้จิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรถ้าจิตสงบนิ่งแล้วจิตจะเป็นกลางจะไม่ดีใจไม่เสียใจไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะหนีจากอะไรไปสามารถอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้จะดีจะชั่วก็อยู่กันได้ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีใจที่เป็นอุเบกขาเป็นกลางแล้วใจของเราจะวุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆเวลาเจอเรื่องที่เราไม่ชอบก็วุ่นวายใจเวลาเสียสิ่งที่เรารักไปก็เสียอกเสียใจเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าในโลกนี้เป็นโลกที่มีทั้งสิ่งที่ดีและชั่วคู่กันมา มีสุขมีทุกข์มีมีขึ้นมีลงมีเกิดมีตายมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถรักษาใจของเราให้เป็นกลางได้เราจะไม่หลงยึดติดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะรู้ว่ามีแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์มาเสียใจ เวลาที่จะต้องจากกันไปเวลาที่ที่มันเสียไปมันหายไปแต่ถ้าเราฝึกทำใจของเราให้เป็นกลางใจของเราจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรเพราะเวลาจิตเป็นอุเบกขานี้จิตมีความสุขจิตมีความเห็นมีความพอไม่มีอะไรก็อยู่ได้ไม่มีเงินทองใช้ใจ่ายสำหรับไปเทีย่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีตําแหน่งไม่มีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่เดือดร้อนถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนถึงแม้จะอดอยากขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่ก็ไม่เดือดร้อนถึงแม้เวลาจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองใจปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะสุขก็รู้ว่ามันสุข มันจะทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์แต่ไม่ยินดีกับความสุขไม่ยินร้ายกับความทุกข์ใจจะอยู่เป็นกลางอยู่เสมอจะเป็นได้ก็ต้องฝึกทำใจให้สงบด้วยการฝึกทำสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาสอนใจให้รู้ว่าเราอยู่ในโลกที่มีขาวมีดำมีสุขมีทุกข์เหมือนมีเป็นเหรียญสองด้านเหรียญนี่มันไม่มีละด้านเดียว มันต้องมีหัวมีก้อยฉันใดในโลกนี้ก็มีสุขและมีทุกข์ต้องสัมผัสต้องเจรต้องเจอเจอยู่ด้วยกันทุกคนมีการเจริญมีการเสื่อมเช่นมีการเจริญในลากยศสรรเสริญสุขและมีความเสื่อมในลาบยศมีนินทามีความทุกข์เนี่ยมันสลับกันไปอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาถ้าเราฉลาดเราทำใจให้เป็นกลางได้ สิ่งเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมันจะไม่มากระทบกระเทือนกับจิตใจของเรามันจะเจริญเราก็ไม่ได้ดีใจไปกับมันเช่นเงินเดือนขึ้นก็ไม่ได้ดีใจถูกถลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ดีใจเวลาขโมยขึ้นบ้านขนของไปหมดก็ไม่เสียใจเพราะเราไม่ได้ดีใจกับสิ่งต่างๆเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองอะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไปเวลาอยู่ก็อยู่กันไป จะไม่มีปัญหาต่อกันนี่คืออุเบกขาข็ให้เราฝึกทำกันอยู่เรื่อยๆไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขานั่งสมาธิกำหนดพุทโธพุทโธไปในใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรก็เป็นการทำใจให้เป็นอุเบกขาหรือดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้คิดเรื่องอะไรก็เป็นการทาใจให้เป็นอุเบกขา หรือจะปรงพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่สังขารร่างกายของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปนี่คือวิธีที่จะทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาเพราะเมื่อใจเราเป็นอุเบกขาแล้ว เ, เราไม่ต้องเราจะไม่ไปทาอะไรให้เกิดความเสียหายไม่ต้องไปทาผิดศีลผิดธรรม ไม่ต้องไปแตกเกียกตะกายหาเงินหาทองเพื่อร่ำเพื่อรวยเพื่อมียศถาบรรดาศักดิ์เพื่อไปทะเลาะวิวาทไปแก่งแย่งชิงดีกับคนนั้นคนนี้จะไม่มีเราจะอยู่อย่างสันติสุขจะไม่เบียดเบียดใครไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครและเราจะเป็นคนที่มีแต่คนชื่นชมยินดีเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่าง และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายท่านเหล่านี้ท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการคือความเมตตากรุณามุมิตาอุเบกานี่เองจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้เวลาของท่านให้เกิดคุณประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยการบำเพ็ญสร้างคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ เมตตากรุณาโมฎิตาอุเบกขาอย่าเสียเวลาไปกับการสร้างราบยศเสริญสุขมากจนเกินความจำเป็นก็ให้มีพออยู่พอกินก็พอแล้วเอาเวลามาสร้างสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจของเราอย่างแท้จริงเถิดแล้วชีวิตของเราจะไม่ผิดหวังจะไม่เกิดมาแล้วตายเปล่าจะไม่เสียชาติเกิดจะได้กําไรจากการได้มาเกิดเป็น เป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการได้พบพระศาสนาการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาบำเพ็ญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้จึงขอฝ่ากเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป